กะนิบาทกัจจานิวัตรหมวดว่าด้วยนางกัจจานีหนึ่งกัจจานิชาดกว่าด้วยนางกัจจานีท้าวศักกะระถามนางกัจจานีว่าแม่กัจจานีเจ้านุ่งห่มผ้าขาวสะอาดมีผมเปียกชุ่มยกหม้อขึ้นตั้งบนเตาสาวเข้าสารและงาปนเข้าสุกคลุกงาจะมีไว้เพื่อเหตุอะไร นางกัจจานีตอบว่าพราหม์เข้าสุคลุกงาที่สุกดีแล้วจักมีไว้เพื่อเป็นอาหารสาหรับตนเองหามิได้เลยธรรมะได้ตายแล้ววันนี้ข้าพระเจ้าจักทาบุญอุทิศให้ธรรมะกลางป่าช้าท้าวสักกะตรัสว่าแม่กัจจานีเจ้าจงใคร่ครวญแล้วจึงทาใครหนอบอกเจ้าว่าธรรมะได้ตายแล้ว ท้าสหาสนัยผู้มีอนุภาพล้นบอกไว้ว่าธรรมะอันประเสริฐย่อมไม่ตายในการไหนไหนนางกัจจานีกล่าวว่าพราหมณ์ข้าพเจ้ามั่นใจในข้อนี้ว่าธรรมะได้ตายแล้วข้าพเจ้าไม่มีความสงสัยเพราะเดี๋ยวนี้คนชั่วกลับเป็นอยู่สบายเหมือนอย่างลูกสะพ้าของข้าพเจ้าเป็นหมันหล่อนทุบตีขับไล่ข้าพเจ้าแล้วคลอดบุตรเดี๋ยวนี้หล่นเป็นใหญ่ในตระกูลทั้งหมด ส่วนข้าพเจ้ากลับถูกทอดทิ้งอยู่อย่างเดียวดายเท้าสักกะตรัสว่าเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเรามาที่นี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าโดยเฉพาะลูกสะั้ยคนใดทุกตีขับไล่เจ้าแล้วคลอดบุตรเราจะทำหล่อนพร้อมกับบุตรให้เป็นเท่าทุลีทีเดียวนางกัจจานีกล่าวว่าข้าแต่เทวราชหากพระองค์ทรงพอพระทัยเสด็จมาที่นี้ เพื่อประโยชน์แก่หม่อมฉันโดยเฉพาะอย่างนี้ขอหม่อมชั้นลูกชายลูกสะภ้ยและหลานจงอยู่ร่วมเรือนกันด้วยความบันเทิงใจเถิดท้าวสักกะตรัสว่าแม่กาติยานีหากเจ้าพอใจเช่นนั้นแม้จะถูกทุบตีขับไล่ก็อย่าละรมขอให้เจ้าลูกชายลูกสะภ้ยและหลานจงอยู่ร่วมเรือนกันด้วยความบันเทิงใจเถิด นางกาติยา น, นีนั้นกับลูกสะภ้ยได้มีใจบันเทิงอยู่ร่วมกันลูกชายและหลานก็ได้ช่วยกันปฏิบัติ บ, ตบำรุงเพราะท้าวักกะผู้เป็นจอมเทพได้ทรงอนุเคราะห์กาจานิชาดกที่หนึ่งจบ 2. อ, อัฏฐสัทาชาดกว่าด้วยเสียงของบุคคลทั้ง8พระดาบสกราบทูลชี้แจงเสียงทั้ง8คือเสียงนกยางว่า สะนี้เมื่อก่อนรุ่มลึกมีปลามากมีน้ำมากเป็นที่อยู่อาศัยของพญานกยางซึ่งเป็นที่อยู่แห่งบิดาของเราทุกวันนี้พวกเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยกบจึงละทิ้งน้ำไปไม่ได้เสียงกล่าวว่าใครหนอจะทำลายในตาดวงที่สองของขวานช้างชื่อพันธุระผู้ไม่มีศีลใครหนอจะช่วยลูกๆของเรารัางของเราและตัวเราให้ปลอดภัย เสียงแมลงผู้ว่ากระพี้เท่าที่มีอยู่ถูกเจาะไปหมดขอถวายพระพรมหาปิศแมลงผู้หมดอาหารไม่ยินดีในแก่นเสียงนกดุวาเรานั้นคงจะพ้นจากพระราชนิเวศไปจากที่นี้แล้วทำตนให้ยินดีอาศัยอยู่ตามต้นไม้กิ่งไม้แน่นอนเสียงเนื้อว่าเรานั้นคงจะพ้นจากพระราชนิเวศไปจากที่นี้แล้ว เดินนำหน้าฝูงดื่มน้ำที่ดีเลิศแน่นอนเสียงลิงว่าในพรานชื่อพระตะชาวแคว้นพาฮิกะได้นำเราผู้มัวเมาด้วยกามกำนัดหมกมุ่นอยู่ในกามนั้นมาขอความเจริญจงมีแก่ท่านเสียงกินนอนว่านางกิ น, นรีได้กล่าวกับเราที่ยอดเขาแหลมในเวลามืดมิดด้วยถ้อยคำอ่น อ, อนหวานว่าโปรดระวังเท้า อย่าเหยียบพลาดไปถูกแง่หินเสียงพระปัเจกพบพุทธเจ้าว่าเราได้เห็นพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นชาติจากไม่กลับมานอนในคันอีกอย่างไม่ต้องสงสัยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการนอนในคันก็เป็นครั้งสุดท้ายสังสารวัตเพื่อพบต่อไปของเราสิ้นแล้วอัตสัทธชาดกที่สองจบสาสุลสาชาดกว่าด้วย นางสุรสาหญิงงามเมืองนางสุรสากล่าวกับสา ม, มีว่านี้สร้อยทองคำแก้วมุกดากแก้วไพทูลเป็นจำนวนมากขอเชิญพี่ขนไปทั้งหมดขอพี่จงมีความเจริญและจงประกาศที่ฉันเป็นนางทาสีสามีกล่าวว่าแม่โฉมงามเธอจงเปลื้องออกมาเถิดอยา่าคร่าครวญไปนักเลยเราจะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น ข่าเจ้าแล้วจึงนำซับไปนางสุรสากล่าวว่าตั้งแต่ดิฉันรู้เดียงสาดิฉันจำตัวเองได้ว่ายังไม่เคยรู้จักรักชายอื่นยิ่งกว่าพี่เลยมานี่เถิดดิฉันจักสวมกอดพี่และจักกระทำประทักษิณเพราะตั้งแต่นี้ต่อไปดิฉันและพี่จะไม่พบกันอีกเทวดาผู้สถิตยอยู่ที่ยอดเขากล่าวว่า ใช่ว่าชายจะเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้หญิงมีปัญญาเห็นประจักษ์ในเรื่องนั้นๆก็เป็นบัณฑิตได้ใช่ว่าชายจะเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้หญิงมีปัญญาคิดเนื้อความได้ฉับพลันก็เป็นบัณฑิตได้นางสุลสาเผชิญหน้าโจรคิดอุบายได้อย่างเร็วพลันหนอได้ฆ่าโจรสัตวกะเหมือนในพรานเนื้อผู้ฉลาด เมื่อธนูมีลูกสรนพร้อมย่อมฆ่าเนื้อได้เร็วพลันอันหนึ่งผู้ใดนี้ไม่รู้เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นเป็นคนมีปัญญาน้อยย่อมถูกฆ่าเหมือนโจรที่ถูกฆ่าทิ้งที่ซอกเขาส่วนผู้ใดรู้เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นย่อมพ้นจากความรับขันอันเกิดจากศัตรูเหมือนนางสุรสาพ้นจากโจรสตุกะ สุรสาชาดกที่สาจบ 4. สุมังคละชาดกว่าด้วยนายสุมังคละพระราชาตรัสกับอมาตะว่าผู้เป็นใหญ่รู้ตัวว่าเรากำลังโกรธจัดก็อย่าเพิ่งลงโทษเพราะผู้ลงโทษอันไม่เหมาะสมแก่ตนโดยขาดเหตุผลแล้วจะเพิ่งก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นอย่างมากมายเมือ่อใดผู้เป็นใหญ่รู้สึกว่าตนมีจิตผ่องใส พึงพิจารณาคดีที่คนอื่นทำผิดเมื่อพิจารณาด้วยตนเองว่าคดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นพึงลงโทษตามความเหมาะสมแก่เขาส่วนผู้ใดไม่ลำเอียงพิจารณาความเหมาะสมและไม่เหมาะสมผู้นั้นชื่อว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเองผู้เป็นใหญ่คนใดในโลกนี้ลงโทษตามสมควรผู้นั้นย่อมมีคุณงามความดีคุ้มครองไม่เสื่อมจากสิริ กษัตริย์เหล่าใดทรงลำเอียงไม่ทรงพิจารณาก่อนกระทําทรงรีบลงพระอาชียกษัตริย์เหล่านั้นมีโทษอันนาติเตียนสวรรคตพ้นจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่ทุกติกษัตริย์เหล่าใดทรงยินดีในธรรมที่อริยชนประกาศไว้แล้วกษัตริย์เหล่านั้นนับว่าทรงยอดเยี่ยมด้วยอกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมกษัตริย์เหล่านั้นทรงดํารงมั่นอยู่ในธรรม คือขันติโซรจะและสมาธิทรงไปสู่โลกทั้งสองโดวยวิธีเช่นนั้นเราเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่กว่าชายและหญิงถึงแม้เราจะโกรธก็จะหักข้ามความโกรธได้ดำรงตนไว้อย่างนั้นต่อชุมชนจะอนุเคราะห์ลงอาชญยาโดยธรรมนายสุมคละกล่าวสดุดีพระราชาว่าขอเดชะพระบรมกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่แห่งโมชน ขอพระสิริสมบัติอย่าได้ละพระองค์ในการไหนๆเลยขอพระองค์อย่าทรงกลิ้วมีพระราชหฤทัยผ่องใสอยู่เป็นนิดปราศจากความทุกข์รักษาพระองค์อยู่ตลอดร้อยปีเถิดขอเดชะพระบรมกษัตริย์ขอพระองค์ทรงประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้คือทรงมีพระอริยวัตรอันมั่นคงทรงรับอนุสาสนีโดยง่ายไม่ทรงกลิ้วทรงพระสําราญ ปกครองแผ่นดินโดยปราศจากการเบียดเบียนอันหนึ่งพระองค์แม้เสด็จพ้นจากโลกนี้ไปแล้วขอจงเสด็จสู่สุคติเถิดพระธรรมิกระราชาทิราชผู้ทรงปกครองโดยกุศโลบายอันชอบธรรมด้วยเหตุที่เหมาะสมด้วยคำอันเป็นสุภาษิตพึงทำมหาชนผู้มีความกระวงกระวายให้เย็นใจดูดมหาเมฆยังเมธนีดลให้ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำ สุมังคระชาดกที่สี่จบ 5. คาคังฆามาลชาดกว่าด้วยพระปจเจกับพุทธเจ้านามว่าคังคะมาละพระเจ้าอุทัยตรัถามชายคนหนึ่งว่าแผ่นดินร้อนเหมือนฐานเพลิงเราอุ ด, ด้วยทรายที่ร้อนราวกับเท่าฐานถึงอย่างนั้นเจ้าก็ยังภาพเพียงร้องเพลงอยู่แดดไม่แผดเผาเจ้าหรือ เบื้องบนดวงอาทิตย์ก็ร้อนเบื้องล่างทรายก็ร้อนถึงอย่างนั้นเจ้าก็ยังภาคเพียงร้องเพลงอยู่แดดไม่แผดเผาเจ้าหรือชายคนนั้นกราบทูลว่าแดดหาแผดเผาข่าพระองค์ไม่แต่แดดคือกามทั้งหลายย่อมแผดเผาข่าพระองค์ขอเดชะพระมาหาราชเจ้าเพราะว่าความต้องการมีหลายอย่างความต้องการเหล่านั้นย่อมแผดเผาข่าพระองค์ หาใช่แดดไหมพระเจ้าอัธฐมาสกะทรงเปล่งอุทานว่านี่กามเราได้เห็นรากเง่าของเจ้าแล้วเจ้าเกิดได้เพราะความดำฤริเราจะไม่ดำฤริถึงเจ้าอีกเจ้าจะไม่มีอย่างนี้อีกต่อไปพระเจ้าอัฏฐมาสกะทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆนิกรว่าปาแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่เพียงพอแม้มากก็ไม่อิ่มโอ๋นอ การทั้งหลายคนพานเพือรำพันถึงอุลบุตรนักปฏิบัติพึงเว้นได้ขาดพระเจ้าอุทัยทรงเปล่งอุทานว่าการที่เราเป็นพระอุทัยราชาได้บรรลุทั้งความเป็นใหญ่นี้เป็นผลแห่งกรรมอันเล็กน้อยของเราการที่มานบและกามราคะโบดนั้นชื่อว่าได้ลาบดีแล้วพระราชชนนีของพระเจ้าพรหมทัตต ร, รัสว่าสัตว์ทั้งหลายละกรรมชั่วได้ด้วยตบะ แต่จะละภาวะแห่งช่างกระระบบและช่างหม้อด้วยตะบะได้หรือขังขามาละวันนี้เจ้าใช้ตะบะข่มขีร้องเรียกพระเจ้าพรหมทัตโดยพระนามจะสมควรแลหรือพระเจ้าพรหมทัตทรงห้ามพระราชชนนีว่าขอเดชะเสด็จแม่จงทอดพระเนตรผลในปัจจุบันเถิดนี้เป็นผลแห่งขันติและโสรจจะพวกหม่อมฉันพร้อมทั้งพระราชวงศ์และเสนาอมาัมบาด ไหว้ท่านผู้ที่ชนทั้งปวงไหว้แล้วพระเจ้าพรหมทัตทรงชี้แจงแก่ประสกรณิกรว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ว่าอะไรอะไรท่านคังคมาลาโมนีผู้ศึกษาอยู่ในข้อปฏิบัติของมุนีเพราะพระกุณเจ้ารูปนี้ได้ข้ามมหาสมุทรคือสงสารวัตรซึ่งผู้ที่ข้ามได้แล้วปราศจากความเศร้าโศกเที่ยวไปคังฆมาลาชาดกที่ห้าจบ เจติยราชาชาดกว่าด้วยพระเจ้าเจติยราชดาบทวายโอวาเดพระราชาว่าทำย่อมฆ่าผู้ทำลายธรรมย่อมไม่ฆ่าใครๆที่ไม่ทำลายธรรมเพราะเหตุนั้นแลบุคคลไม่ควรทำลายธรรมขอทำที่พระองค์ทรงทำลายแล้วอย่าได้ฆ่าพระองค์เลยบุคคลเมื่อกล่าวคำหลอกและเทวดาทั้งหลายก็หลีกหนีไป ผู้ใดถูกถามปัญหาทั้งที่รู้อยู่ก็ตอบเป็นอย่างอื่นไปผู้นั้นบากจะเน่ากลิ่นฟุ้งไปและจะพลัดตกจากฐานะของตนขอถวายพระพรพ ร, พระเจ้าเจติยะก็ถ้าพระองค์ตรัสวาจาสัตย์พระองค์จะดมรงอยู่เช่นเดิมถ้าพระองค์ยังตรัสวาจาเทศอยู่พระองค์จะประทับอยู่ที่แผ่นดินพระราชาพระองค์ใดถูกถามปัญหา ทั้งที่ทรงทราบอยู่ก็ทรงต่อเป็นอย่างอื่นไปในแคว้นของพระราชาพระองค์นั้นฝนย่อมตกในเวลาไม่ใช่ฤดูการย่อมไม่ตกในฤดูการขอถาวายพระพรพระเจ้าเจติยะก็ถ้าพระองค์ตรัสวาจาสัตว์พระองค์จะดำรงอยู่เช่นเดิมถ้าพระองค์ยังตรัสวาจาเทศอยู่พระองค์จะถูกธรณีสูบขอถาวายพระพรพระองค์ผู้เป็นใหญ่ทั่วทุกทิศ ผู้ใดถูกถามปัญหาทั้งที่ทราบอยู่ก็ตอบเป็นอย่างอื่นไปผู้นั้นจะมีชิวหาเป็นสองแฉกเหมือนลิ้นงูขอถวายพระพรพระเจ้าเจติยะก็ถ้าพระองค์ตรัสวาจาสัตว์พระองค์จะดมรงอยู่เช่นเดิมถ้าพระองค์ยังตรัสวาจาเทศอยู่พระองค์จะถูกธรณีสูบลึกลงไปขอถวายพระพรพระองค์ผู้เป็นใหญ่ทั่วทุกทิศผู้ใดถูกถามปัญหา ทั้งที่ทราบอยู่ก็ตอบเป็นอย่างอื่นไปผู้นั้นจะไม่มีชิวหาเหมือนปลาขอถวายพระพรพระเจ้าเจติยะก็ถ้าพระองค์ตรัสวาจาสัตว์พระองค์จะดำรงอยู่เช่นเดิมแต่ถ้าพระองค์ยังตรัสวาจาเทศอยู่พระองค์จะถูกธรณีสูบลึกลงไปผู้ใดถูกถามปัญหาทั้งที่รู้อยู่ก็ตอบเป็นอย่างอื่นผู้นั้นจะมีแต่ลูกผู้หญิงมาเกิด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 ขอถวายพระพ ร, พรพระเจ้าเจติยะก็ถ้าพระองค์ตรัสวาจาสัตว์พระองค์จะดำรงอยู่เช่นเดิมถ้าพระองค์ยังตรัสวาจาเทศอยู่พระองค์จะถูกธรณีสูบลึกลงไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระเจ้าเจติยะพระองค์นั้นเมื่อก่อนเพาะเขินเดินอากาศได้ถูกฤาษีสาบเสื่อมจากสภาวธรรมถูกธรณีสูบจนตายเพราะฉะนั้น บัณฑิต ท, ทั้งหลายจึงไม่สันเสริญการลุ้อำนาจความพอใจบุคคลผู้มีจิตอังกิเลสไม่ประทุษร้ายจะกล่าวแต่ถ้อยคำที่ประกอบด้วยสัจจะเท่านั้นเจติยราชชาดกที่6จบ 7. อินทริยะชาดกว่าด้วยอำนาจของอินทรี์ซรพังคะดาบทกล่าวกับนารทะดาบทว่านารทะ ผู้ใดตกอยู่ในอำนาจของอินทรีย์เพราะความใคร่ผู้นั้นละโลกทั้งสองแล้วย่อมไปเกิดในอบายแม้มีชีวิตอยู่ร่างกายก็ซุปสีดต่อจากสุขก็เป็นทุกข์ต่อจากทุกขก็เป็นสุขเธอจะเป็นผู้ได้รับทุกข์มากกว่าสุขดังนั้นเธอพึงหวังสุขอันประเสริฐผู้ใดในยามลำบากทนต่อความลำบากได้ไม่คานึงถึงความลำบากผู้นั้นเป็นนักปราด ย่อมเสวยโยคะสุขอันเป็นที่สุดแห่งความลำบากนั้นเธอไม่ควรเคลื่อนจากธรรมเพราะความปรารถนาการทั้งหลายอันเป็นเหตุไม่ใช่ประโยชน์จากประโยชน์ต่างๆและเพราะทอดทิ้งฌานที่ได้บำเพ็ญแล้วกาลเทวินดาบทกล่าวกับนาราธาดาบทว่าผู้ครองเรือนมีความขยันแบ่งปันกันกินเป็นการดีเมื่อได้สิ่งที่ต้องการก็ไม่ร่เริง และเมื่อเสื่อมจากสิ่งที่ต้องการก็ไม่เดือดร้อนพระาศาสดาตรัสว่าการลเทวินดาบทผู้สงบได้กล่าวความเป็นบัณฑิตนั้นเพียงเท่านี้ว่าไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเลวไปกว่าผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งอินรีทั้งหลายนี้เลยมนุษย์เปรกกราบทูลพระเจ้าสีพีว่าขอเดชะพระเจ้าสีพีบุคคลเช่นข้าพระองค์ถึงความพินาศเหมือนความพินาศในเงื้อมมือของพวกศัตรู ทำเหตุที่ให้เกิดยศเหล่านี้คือการงานวิชาความขยันการวิวาศีลและความอ่อนโยนให้เสื่อมไปบังเกิดเป็นมนุษย์เปรต ด, ด้วยกรรมของตนข้าพระองค์นั้นไม่มีพวกพ้องไร้ที่พึ่งเหมือนคนเสื่อมจากทรัพย์นับพันเหินห่างจากธรรมอันประเสริฐเหมือนคนตายแล้วข้าพระองค์ทําคนผู้ต้องการความสุขให้ได้รับความทุกข์จึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ข้าพระองค์นั้นไม่ได้ประสบความสุขเลยเหมือนอยู่ในกองทานเพลิงอินทริยชาดกที่เจจบ 8. อาทิตตชาดกว่าด้วยสิ่งของในเรือนที่ถูกไฟไหม้พระปัจเจกับพุทธเจ้ากล่าวอนุโมทนาแด่พระราชาและพระเทวีว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้ภาชนะใดที่นำออกได้ภาชนะนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เขา ส่วนภาชนะที่ถูกไฟไหม้ในเรือนนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์เลยสัตว์โลกถูกชราและมรณะแผดเผาอยู่อย่างนี้ทรย์ที่มหาประพิธทรงนำออกให้ทานเป็นอันทรงนำออกดีแล้วพระปจเจกพุทธเจ้าที่เหลืออีกหกองค์กล่าวอนุโมทนาว่าชนใดให้ทานแก่ท่านผู้ได้ทำบรรลุธรรมด้วยความขยันหมั่นเพียรชนนั้นย่อมพ้นจากนรกเวตระหนีของพยายม แล้วเข้าถึงทิพยาสถานทานและการรบนักปรากล่าวว่าเสมอกันคือคนแม้มีจํานวนน้อยก็ย่อมชนะคนจํานวนมากได้ถึงทรัพย์มีจํานวนน้อยหากมีศรัทธาก็ให้ทานได้เพราะทรัพย์มีจํานวนน้อยนั่นแหละเขาย่อมมีความสุขในโลกหน้าพระสุคดทรงสรรเสริญการเลือกให้ท่านเหล่าใดควรแก่ทักษิณามีอยู่ในมนุษย์โลกนี้ ทานที่บุคคลถวายในท่านเหล่านี้ย่อมมีผลมากเหมือนเพื่อที่วานลงในนาที่ดีผู้ใดไม่เที่ยวเบียดเบียนหมู่สัตว์ไม่ทําความชั่วความกลัวคนอื่นติเตียนบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นซึ่งกลัวการถูกติเตียนไม่สรรเสริญผู้กล้าในการถูกติเตียนเพราะกลัวต่อการถูกติเตียนสัตว์ปุรุษทั้งหลายจึงไม่ทําความชั่วบุคคลเกิดเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์ชั้นต่ํา เปิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์ชั้นกลางและย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์ชั้นสูงสุดทานท่านสรรเสริญไว้หลายประการก็จริงแต่ทำเท่านั้นประเสริฐกว่าทานเพราะแต่ก่อนมาสัตว์ปรุษทั้งหลายผู้มีปัญญาเท่านั้นได้บรรลุนิพพานอาทิตตชาดกที่8จบ 9. อ้าอาถชาดกว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ มหาธนาเรสีกล่าวกับหญิงโสเพณีว่าเมื่อใดแม่น้ำคงคาดารดาดด้วยดอกโกมมุดสงบนิ่งนกดูเว่ามีขนสีขาวเหมือนสังและต้นว่าออกผลเป็นผลตาลเมื่อนั้นเราพึงไปด้วยกันได้แน่เมื่อใดผ้าห่มผืนใหญ่สามชนิดทอด้วยขนเต่าใช้ห่มกันหนาวได้เมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่ เมื่อใดป้อมถูกสร้างขึ้นอย่างดีด้วยขาหยุง่งมั่นคงและไม่วันไหวเมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่เมื่อใดบันไดถูกสร้างขึ้นอย่างดีด้วยเขากระต่ายเพื่อประโยชน์เกิดการขึ้นสวรรค์ได้เมื่อนั้นเรากับเธอพึงอยู่ร่วมกันได้แน่เมื่อใดหนูทั้งหลายไต่บันไดไปกกัดกินดวงจันทร์และขับไล่ราหูไปได้ เมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่เมื่อใดมแมลงวันทั้งหลายพากันบินเที่ยวไปเป็นฝูงดื่มเหล้าหมดไหายแล้วอยู่ในฐานเพลิงได้เมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่เมื่อใดลามีริมฝีปากเหมือนผลตำลึงสุกมีใบหน้า ง, งามฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องเมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่ เมื่อใดกาและนกเขาอยู่ในที่ลับปรึกษาปรองดองกันได้เมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่เ ม, <DevOps> มื learners, ่อใดเอาใบบัวอ่อนที่แตกจากเงามาทำร่มให้แข็งแรงเพื่อกันฝนเมื่อนั้นเรากับเธอ พ, งอธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่เมื่อใดนกน้อยใช้เจ้างอยปากข้าผูเขาคันธมาศบินไปได้เมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่ เมื่อใดเด็กน้อยยกเรือเดินทะเลพร้อมทั้งเครื่องยนต์และใบเรือไปได้เมื่อนั้นเรากับเธอพึ่งเกี่ยวข้องกันได้แน่อาฐานชาดกที่เกจบ10ที่ปิชาดกว่าด้วยเสือเหลืองแพะกล่าวกับเสือเหลืองว่าท่านลุงลำบากไหมพอหากินได้สะดวกไหมสบายดีไหม แม่ของข้าพเจ้าได้ถามถึงความสุขของลุงพวกเราต้องการให้ลุงมีความสุขเซือเหลืองกล่าวกับแพะว่านี่เจ้าแพะน้อยเจ้าเหยียบหางเบียดเบียนเราวันนี้เจ้านั้นคงคิดสิว่าจะรอดพ้นด้วยการกล่าวคําว่าลุงแพะกล่าวว่าลุงนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกข้าพเจ้าเดินมาข้างหน้าของลุงหางของลุงอยู่ข้างหลัง ข้าพเจ้าเหยียบหางของลุงได้อย่างไรเล่าเสือเหลืองกล่าวว่าทวีปทั้งสี่พร้อมทั้งสมดและภูเขามีประมาณเท่าใดหางของเราก็ครอบคลุมไปประมาณเท่านั้นเจ้าจะหลบหางของเรานั้นได้อย่างไรแพะกล่าวว่าเมื่อก่อนพ่อแม่และพี่ชายของข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้แก่ข้าพเจ้าเหมือนกันว่าหางของสัตว์ดุร้ายยาวข้าพเจ้านั้นจึงได้เลี้ยงมาทางอากาศ เสือเหลืองกล่าวว่าเจ้าแพะน้อยก็ฝูงเนื้อเห็นเจ้าเหาะมาจึงได้หนีไปพักษาของเราเจ้าได้ทำให้พี่นาฏไปแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเมื่อแม่แพะคร่่าครวญอยู่อย่างนี้เจ้าเสือเหลืองสัตว์กินเนื้อเลือดก็ปราดเข้าขย่ำคอถ้อยคําเป็นสุภาษิตย่อมไม่มีในคนโหดร้ายในคนโหดร้ายไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่มีถ้อยคำเป็นสุภาษิตในคนโหดร้ายบุคคลพึงทำการหลบหลีกไปเพราะคำของคนดีมันก็ไม่ชอบที่ปิชาดกที่10บจบกาจานิวักจบรวมชาดกที่มีนิวักนี้คือ 1. กัจานิชาดก 2. อัถฐธสัทชาดก 3. สุรสาชาด ก, สาาดก 4. สุมังคละชาดก 5. ้คังฆมาละชาดก 6. เจติยราชาชาดก 7. อินทริยะชาดก 8. อาธิตะชาดก 9. อัธานาชาดก 10. ทีปิชาดกอัฏฐะนิบาตจบ วกิบาทหนึ่งคิดช่ชาดกว่าด้วยนกแรงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนทางที่คิดชะบันพศชื่อปริสังกุปถะมีมาแต่โบราณณหนทางนั้นมีนกแรงเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่อยู่มันได้นำเอามันค้นของงูเหลือ ม, มาให้พ่อแม่กินโดยมากก็พ่อของแรงรู้อยู่ว่าลูกบินสูงเกินไปจะตก จึงได้สอนลูกแรงชื่อสุปตตะตัวแข็งแรงกล้าหาญบินไปได้ไกลว่าลูกเมื่อใดเจ้ารู้ว่าแผ่นดินที่ทะเลล้อมรอบกลมเหมือนวงล้อลอยอยู่ในน้ำเจ้าจงกลับแค่นั้นนะลูกอย่าบินไปเกินกว่านั้นปักษีตัวมีกำลังเป็นพญานกโผลขึ้นด้วยกำลังเอี้ยวคอมองดูภูเขาและป่าไม้ นกแรงได้เห็นแผ่นดินที่มีทะเลล้อมรอบกลมเหมือนวงล้อเหมือนอย่างที่ได้ฟังจากพ่อของมันมันก็ยังบินเลยสถานที่ที่บิดาบอกนั้นไปสายลมแรงกล้าก็ได้พัดกระนำนกแรงตัวแข็งแรงนั้นสัตว์ที่บินเลยไปไม่อาจจะบินกลับได้อีกเลยนกแรงตกอยู่ในอำนาจของลมเวรำพาได้ถึงความพินาศแล้ว ลูกเมียของมันและนกแร้งเหล่าอื่นที่อาศัยมันเป็นอยู่ทั้งหมดถึงความพินาศเพราะนกที่ไม่ทำตามโอวาทตัวเดียวผู้ใดในโลกนี้ไม่เชื่อฟังคำของผู้ใหญ่ทั้งหลายประพฤติเกินขอบเขตย่อมเดือดร้อนเหมือนนกแร้งที่ละเมิดคำสอนผู้นั้นแหลย่อมถึงความพินาศเพราะไม่กระทาตามคาสอนของผู้ใหญ่คิจชาชาดกที่หนึ่งจบ 2. โกสัมพิยะชาดกว่าด้วยการทะเลาะกันในเมืองโกสัมพีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนทะเลาะกันมีเสียงดังเหมือนกันไปหมดไม่มีใครเลยจะรู้ตัวว่าเป็นคนพาลยิ่งไปกว่า น, นั้นเมื่อสงแต่กันก็ไม่ยอมรับรู้เหตุอย่างอื่นคนฟั่นเฟือนยกตนว่าเป็นบัณฑิตเอาแต่พูดยื่นปากพูดตามที่ตัวปรารถนา แต่ไม่ยอมรับรู้เรื่องที่ทะเลาะกันอย่างไร้อย่างอายชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวนว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวนของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวนว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวนของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ เพราะว่าในการไหนๆเวณทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สมงบระงับด้วยเวณแต่เวณทั้งหลายย่อมสมงบระงับด้วยการไม่จองเวนนี้เป็นธรรมเก่าชนพวกอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราย่อมย่อยยับในถ้ำกลางสงนี้ส่วนชนเหล่าใดในถ้ำกลางสงนั้นย่อมรู้สึกต่อจากนั้นความทะเลาะของชนเหล่านั้นย่อมสมงบระงับคนสมัยก่อนตัดกระดูกกัน เปลิดชีวิตปล้นโคมา้าซับซ้ำอย่างชิงเอาบ้านเมืองกันแม้คนเหล่านั้นก็ยังคบกันได้ทำไมพวกเธอจึงคบกันไม่ได้หากบุคคลจะพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเป็นนักปราชญ์มีปกติอยู่ด้วยกรรมอันดีงามเที่ยวไปด้วยกันครอบงามอันตรายทั้งปวงแล้วมีสติพอใจพึงเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิด หากบุคคลไม่ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเป็นนับปราดมีปกติอยู่ด้วยกรรมอันดีงามเที่ยวไปด้วยกันพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนพระราชาทรงละแคว้นที่ทรงชนะแล้วเสด็จไปพระองค์เดียวและเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนพาล อันหนึ่งบุคคลควรมีความขนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าโกสามพิยะชาดกที่สองจบ 3. ม, มหาสุวรรชาชาดกว่าด้วยพญานกแขกเต้าเท้าสักกะรัสกับพญานกแขกเต้าว่าเมื่อใดต้นไม้มีผลบริบูรณ เมื่อนั้นเราวิหกก็พากันมาจิกกินผลไม้นั้นครันรู้ว่าเมื่อผลวายต้นไม้สิ้นไปแล้วก็พากันจากต้นไม้นั้นไปตัวละทิศละทางพ่อนกแขกเต้าผู้มีจา ง, งอยปากแดงเจ้าจงเที่ยวไปเถิดอย่าเพึ่งตายเลยเจ้ามาซบเซาอยู่บนตอไม้แห้งทาไมเจ้านกแขกเต้าผู้มีสีเขียวเหมือนไพรสนในวั ส, สันตรุดูเจ้าบอกเราเถิด หเหตุเจ้าจึงไม่ละทิ้งต้นไม้แห้งพญานกแขกเต้ากล่าวว่าพญาหงชนเหล่าใดเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์จนตลอดชีวิตแม้เพื่อนนั้นจะสิ้นทรัพย์หรือไม่สิ้นทรัพย์ก็ตามก็ไม่ยอมละทิ้งชนเหล่านั้นนับว่าเป็นสัตว์ปรุษระลึกถึงธรรมของสัตว์ปรุษอยู่เสมอพญาหงเข้าไปเจ้าก็เป็นหนึ่งในหมู่สัตว์รุษ ต้นไม้เป็นทั้งาติเป็นทั้งสหายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งที่รู้ว่าต้นไม้หมดสิ้นแล้วก็ไม่อาจทอดทิ้งไปได้เพราะการทอดทิ้งไปนั้นไม่ใช่ธรรมเท้าสักกะตรัสว่าเป็นการดีเจ้าปักศรีที่เจ้าได้กระทำความเป็นเพื่อนไมตรีและความสนิทสนมในหมู่พวกถ้าคุณธรรมข้อนี้เจ้าพอใจ เจ้าก็เป็นที่สรรเสริญของผู้รู้ทั้งหลายนี่เจ้านกแขกเต้าผู้มีปีกบินไปในอากาศเรานั้นจะให้พรแก่เจ้าเจ้าจงเลือกพรสักอย่างหนึ่งตามที่เจ้าพอใจเถิดพญานกแขกเต้ากล่าวว่าพญาหงหากท่านจะให้พรแก่ข้าพเจ้าก็ขอให้ต้นไม้ต้นนี้มีอายุต่อไปขอต้นไม้นั้นจงงอกงามมีกิ่งและผลสมบูรณ์ ผ ล, ผลมีรสอร่อยยืนต้นสง่างามเถิดท้าวศักกะตรัสว่าเพื่อนเจ้าจงเห็นต้นไม้นั้นมีผลดกขอเจ้าจงอยู่ร่วมกันกันกบต้นมาเดือเถิดขอต้นไม้นั้นจงงอกงามมีกิ่งและผลสมบูรณ์ผ ล, ผลมีรสอร่อยยืนต้นสง่างามเถิดพญานกแขกเต้ากล่าวว่าท้าวศักกะวันนี้ข้าพระองค์มีความสุข เราเห็นต้นไม้มีผลฉันใดขอพระองค์พร้อมทั้งพระปริ ย, ยุราญาทั้งปวงจงมีความสุขชั้นนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเท้าสักกะครั้นประทานพรบรรดาให้ต้นไม้มีผลเกี่ยนนกแขกเต้าแล้วพร้อมด้วยพระมเหสีก็เสด็จหลีกไปยังสวนเทพนันทวันมาหาสุวราชาชาโดกที่สจบส จูละสุวากะราชาชาดกว่าด้วยพญานกแขกเต้าเท้าสักกะตรัถามพญานกแขกเต้าว่าหมู่ต้นไม้มีใบเขียวเฉอุ่มมีผลดาดเดินมีอยู่เป็นจํานวนมากทําไมหนอใจของนกแขกเต้าจึงยินดีต้นไม้แห้งเป็นโพรงไม่สางสาพญานกแขกเต้าตอบว่าผลของต้นไม้นี้ข้าพเจ้าอาศัยกินอยู่หลายปี แม้ไม่มีผลเขาพเจ้ารู้ว่าแต่ก็ยังรักษาเมตรีนั้นไว้เหมือนเดิมท้าวสักกะตรัถามว่าต้นไม้แห้งต้นไม้เป็นโพรงและต้นไม้ปราศจากใบและผลฝูงนกก็พากันละทิ้งไปนี่นกน้อยเจ้าเห็นโทษอะไรพญานกแขกเต้าตอบว่านกเหล่าใดต้องการผลไม้จึงคบหารู้ว่าไม่มีผลก็ละทิ้งต้นไม้นั้นไป นกเหล่านั้นเป็นพวกเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนโง่เขลาเป็นผู้ทำลายพวกพ้องเท้าสักกะตรัสว่าเป็นการดีเจ้าปักษีที่เจ้าเด้กระทําความเป็นเพื่อนไมตรีและความสนิทสนมในหมู่พวกถ้าคุณมาทข้อนี้เจ้าพอใจเจ้าก็เป็นที่สรรเสริญของผู้รู้ทั้งหลายนี่เจ้านกแขกเต้าผู้มีปีกบินไปในอากาศเรานั้นจะให้พรแก่เจ้า เจ้าจงเลือกพรสักอย่างหนึ่งตามที่เจ้าพอใจเถิดพญานกแขกเต้ากล่าวว่าทำไมหนอข้าพเจ้าจะพึงเห็นต้นไม้นี้กลับมีใบมีผลได้อีกข้าพเจ้าจะพึงยินดีอย่างยิ่งเหมือนคนจนได้ขุมทรัพย์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าลำดับนั้นเท้าสักกะทรงถือเอาน้ำอำมฤตรดต้นไม้กิ่งของต้นไม้นั้นก็แตกออกมา มีเงาร่มเย็นน่ารื่นรมใจพญานกแขกเต้ากล่าวว่าเท้าสักกะวันนี้ข้าพระองค์มีความสุขเพราะเห็นต้นไม้มีผลฉันใดขอพระองค์พร้อมทั้งพระปริยุญญาติทั้งปวงจงมีความสุขฉันนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเท้าสักกะครนประทานพรบรรดาให้ต้นไม้มีผลแก่นกแขกเต้าแล้วพร้อมด้วยพระมเหสี ก็เสด็จหลีกไปยังสวนเทพนันทวันจูละสุวการาชาชาดกที่สีจบ 5. ฮาริจชาดกว่าด้วยฮาริจดาบทโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามฮาริจดาบทว่าท่านมหาพรหมโยมทราบข่าวมาว่าฮาริจดาบทบริโภคกามคำกล่าวนั้นคงเป็นเท็จใช่ไหม พระคุณเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมฮาริจาดาวบทราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาปพิษข้อนี้เป็นจริงตามที่พระองค์ได้ทรงสดับมาอาตมาภาพหมกมุ่นอยู่ในกลามคุณอันทำให้ลุ่มหลงได้เดินทางผิดไปแล้วพระราชาตรัสว่าใจบันเทาราคาที่เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยปัญญาใดปัญญานั้นเป็นธรรมชาติละเอียดคิดแต่สิ่งที่ดีๆจะมีประโยชน์อะไร ท่านไม่อาจบรรเทาจิตได้หรือหริจะดาวบทกวาบทูลว่าขอถวายพระพรมหาปะพิษในโลกนี้มีสิ่งที่หยาบมีกำลังอย่างยิ่งที่ปัญญายัางไม่ถึงสีประการคือหนึ่งราคะความกำนัดสองโทสะความกโกรธสมะทะความเมาสโมหะความหลงพระราชาตรัสว่าโยมได้ยกย่องพระคุณเจ้าไว้ว่า ท่านฮริจดาบทเป็นพระอระหันต์จึงพร้อมด้วยศีลประพฤติบริสุทธิ์เป็นนักปราดเป็นบัณฑิตเฮริจดาบด์กราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาประพิตเรสีแม้มีปัญญายินดีแล้วในคุณธรรมยังถูกความคิดลามกประกอบด้วยราคะที่ยึดถือว่างามเบียดเบียนเอาได้พระราชาตรัสว่าราคะที่เกิดขึ้นในสรีระนี้เกิดขึ้นแล้ว เป็นเหตุประทุสร้ายผิวพันธุ์พระคุณเจ้าจงละราคะนั้นเสียขอความนอบน้อมจงมีแด่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าได้รับยกย่องว่าเป็นนักปรากของคนหมู่มากพระริจาดาบุตรกราบทูลว่าอาตมาภาพจากค้นหารากเง่าของกามเหล่านั้นที่ทำให้มืดบอดมีทุกข์มากมีพิษร้ายแรงจากตัดราคะพร้อมทั้งเครื่อนผูกพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ครั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ภริจะเรสีผู้ยึดมั่นสัจจะคลายกรรมราคะแล้วเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกภริจเชาดกที่ห้าจบ 6. ปะทากุสลมานวชาดกว่าด้วยมานพผู้ฉลาดในการสะกดรอยพัญญากล่าวกับนายปัตลีผู้เป็นสามีว่า แม่น้ำคงคาย่อมพัดพาพี่ปตาตลีผู้คงแก่เรียนขับเพลงได้ไพเราะแน่พี่ผู้กำลังถูกน้ำพัดไปขอความเจริญจงมีแก่พี่ขอพี่จงให้บทเพลงแก่น้องสัก บ, บทหนึ่งเถิดสามมีกล่าวว่าน้ำใดที่เขาใช้รถคนประสบทุกข์หรือคนกระสับกระสายเรากำลังจะตายใน่้ำกลางน้ำนั้นภัยเกิดแล้วแต่ที่พึ่ง ช่างม่อกล่าวว่าแผ่นดินใดที่พืชทั้งหลายงอกขึ้นได้หรือที่สัตว์ทั้งหลายดารงอยู่แผ่นดินนั้นกำลังบีบศีรษะของข้าพเจ้าภายเกิดแล้วแต่ที่พึ่งชายคนหนึ่งกล่าวว่าไฟใดที่เขาใช้หุงข้าวหรือที่เขาใช้บําบัดความหนาวไฟนั้นกำลังไหม้ตัวข้าพเจ้าภายเกิดแล้วแต่ที่พึ่งชายคนหนึ่งกล่าวว่า ข้าวใดที่พวกพรามณและกษัตริย์จำนวนมากใช้อย่างชีพข้าวนั้นข้าพเจ้าบริโภคแล้วกำลังจะฆ่าข้าพเจ้าภัยเกิดแล้วแต่ที่พึ่งชายคนหนึ่งกล่าวว่าลมใดในเดือนท้ายของฤดูร้อนที่พวกบัณฑิตปรารถนาลมนั้นกำลังทำลายตัวข้าพเจ้าภัยเกิดแล้วแต่ที่พึ่งพญานาคกล่าวว่าต้นไม้ใดที่นกพากันมาอาศัย ต้นไม้นั้นกำลังพ่นไฟนกทั้งหลายพากันหลบหนีไปยังทิศ ท, ทั้งหลายภายเกิดแล้วแต่ที่พึ่งหญิงเชรากล่าวกับลูกชายว่าหญิงสภัยใดผู้มีความพอใจประดับประดาด้วยพวงดอกไม้ลูบไลด้วยจันหอมที่เรานามาหญิงสภายนั้นกำลังไล่เราออกจากเรือนภายเกิดแล้วแต่ที่พึ่งชายชราคร่าครวญว่า ลูกคนใดที่เกิดมาแล้วเป็นเหตุให้เรายินดีและปรารถนาความเจริญลูกคนนั้นกำลังไล่เราออกจากเรือนภัยเกิดแล้วแต่ที่พึ่งพระโพธิสัตว์กล่าวว่าขอชาวชนบทและชาวนิคมที่มาประชุมพร้อมกันจงฟังข้าพเจ้าที่ใดมีน้าที่นั่นกลับร้อนที่ใดปลอดภัยที่นั่นกลับมีภัยพระราชาและพระมปุรโรหิตปล้นแว่นแคว้น ท่านทั้งหลายจงพาคนรักษาตัวอยู่เถิดภัยเกิดแล้วแต่ที่พึ่งปทาปุสละมานวชาดกที่หกจบ 7. โลมส ก, กัสปะชาดกว่าด้วยโลมส ก, กัสปะือศีเทา้าสกกะตรักับพระราชาว่าข้าแต่มหาราชหากพระองค์ให้ือศีโลมส ก, กัสปะบูชายันได้ พระองค์จะเป็นเหมือนพระอิน์ไม่แข่ไม่ตายเลยเรสีโลมสะกัสะปะกล่าวกับสายหาอมาตว่าอาตมาไม่ปรารถนาแผ่นดินอันมีสมุดเป็นขอบเขตมีสาคร ล, ล้อมรอบประดุดต่างหูพร้อมกับคำนินทาท่านจงทราบอย่างนี้เถิดสายหาอมาตพรามนาติเตียนการได้ยศและการได้ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ประสบความพินาศ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 สมณะและพรามทั้งหลายก็มีกำลังฝั่งสมดก็มีกำลังแต่หญิงทั้งหลายมีกำลังเหนือกว่ากำลังทั้งหมดเพราะพระนางจันทวดีได้ใช้ฤาษีชื่อโลมาสะกัสปะซึ่งมีตะบะสูงบูชายันชื่อวาชะเปยะเพื่อประโยชน์แก่พระบิดาได้ฤาษีโลมาสะกัสปะสลดใจจึงกล่าวว่ากรรที่กระทาด้วยความโลภมีการเป็นเหตุนั้น เป็นกรรมเผ็ดร้อนเราจะค้นหารากเง่าของกรรมนั้นจากตัดราคะพร้อมทั้งเครื่องผูกหน้าติเตียนก ร, รมทั้งหลายแม้มากมายในโลกขอถวายพระพรมหาปิฏตบะเท่านั้นประเสริฐกว่ากา ร, รมคุณทั้งหลายอาตมาจัลละกรรมบำเพ็ญตบะส่วนแวนแคว้นและพระนางจันทวดีขอถวายคืนมหาปะิฏโลมสกัสปะชาดกที่เจ็จบ จักรวากะชาดกว่าด้วยนกจักระภาคกล้าถามนกจักระภาคว่าเราขอถามนกทั้งหลายที่มีสีเหมือนผ้าที่ย้อมด้วยน้ําฝาดมีใจร่าเริงเที่ยวไปเป็นคู่คู่ว่านกทั้งหลายสรเสริญพวกเจ้าในหมู่มนุษย์ว่าเป็นนกชนิดไรเชิญพวกเจ้าบอกนกชนิดนั้นแก่เราเถิดนกจักระภาคตอบว่านี่เจ้าผู้เบียดเบียนมนุษย์ ในหมู่มนุษย์เขาเรียกพวกเราซึ่งบินตามกันไปว่านกจักระภาคในหมู่นกพวกเราได้รับการยกย่องว่ามีความดีมีรูปงามเที่ยวไปตามห่วงน้ำทั้งไม่ทําชั่วแม้เพราะเหตุแห่งอาหารกล้าถามว่านี่นกจักระภาคพวกท่านกินผลไม้อะไรในห่วงน้ำหรือกินเนื้อแต่ที่ไหนกินอาหารอะไร กำลังและผิวพันณ์จึงไม่เสื่อมซามไม่ผิดรูปเลยนกจักระภาคตอบว่าในห้วงน้ำไม่มีผ ล, ลไม้หรอกกาเนื้อสำหรับนกจักระภาคกินจะมีแต่ที่ไหนพวกเรามีสาร่ายเป็นพักษาไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งไม่ทำชั่วแม้เพราะเหตุแห่งอาหารพวกเราจึงมีรูปงามท่องเที่ยวไปตามห้วงน้ำก้ากล่าวว่านกจักระภาค อาหารที่เจ้ากินนี้เราไม่ชอบเลยเมื่อเจ้าเป็นนกจักระภาคเจ้าก็มีอาหารที่เหมาะสมเมื่อก่อนนี้เราได้มีความคิดเป็นอย่างอื่นเพราะเหตุนั้นแหลเราจึงเกิดความสงสัยในผิวพันธุ์ของเจ้านี้ถึงเราก็กินเนื้อผลไม้และข้าวที่ปรุงด้วยเกลือและน้ำนมเรากินอาหารอันมีรสเลิอดในหมู่มนุษย์เหมือนผู้กล้าหาญมีชัยชนะในสงคราม ชะไหนผิวพันธุ์ของเราจึงไม่เป็นเช่นกับเจ้าเล่านกจักระภาคเอย๋ยนกจักระภาคกล่าวว่าเจ้ากินของที่ไม่บริสุทธิ์โฉบเอาเมื่อเขาเผลอชื่อว่าได้ข้าวและน้ําด้วยความลําบากกาเจ้าไม่ชอบผลไม้หรือเนื้อกลางป่าช้านี่กาผู้ใดได้ของกินมาด้วยกรรมอันหยาบช้าเมื่อเขาเผลอก็โฉบเอามากินในภายหลังผู้นั้น ตนเองก็ติเตียนและเขาถูกตนและผู้อื่นติเตียนแล้วย่อมละผิวพันธุ์และกําลังหากว่าผู้ใดบริโภค ข, ของแม่น้อยแต่เป็นของเย็นไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกรรมที่ไม่หยาบช้าผู้นั้นย่อมมีทั้งกําลังและผิวพันธุ์ในการนั้นเพราะผิวพันธุ์ทั้งปวงหามีเพราะอาหารเพียงอย่างเดียวไม่จักกว่ากาชาดกที่8จบ9 พาฤทธาราคะชาดกว่าด้วยจิตกลับกรอกเหมือนผ้าย้อมด้วยขมิ้นนางกุมาริกากล่าวกับดาวดบทหนุ่มว่าพวกที่บัมเพญตบะอดกลั้นอยู่ในบ้านยังประเสริฐกว่าท่านผู้อดกลั้นบัมเพนตบะอยู่ในเสนาสนะอันสงัดในป่าดาวดบทหนุ่มถามดาบทผู้เป็นบิดาว่าคุณพ่อลูกออกจากป่าไปสู่บ้านแล้วควรจะคบหาคนมีศีลอย่างไร มีข้อปฏิบัติอย่างไรลูกถามแล้วขอพ่อจงบอกข้อนั้นดาบทผู้เป็นบิดาตอบว่าลูกรักผู้ใดพึงทําให้ลูกเบาใจอดทนความคุ้นเคยของลูกได้เชื่อฟังและอดกลั้นถ้อยคำของลูกได้ลูกไปจากที่นี้แล้วจงคบผู้นั้นเถิดผู้ใดไม่ทําความชั่วทางกายวาจาใจลูกไปจากที่นี้แล้ว จงดำรงตนอยู่เหมือนลูกในไส้ครบผู้นั้นเถิดอันหนึ่งผู้ใดประพฤติ ธ, ธรรมแม้ประพฤติ ธ, ธรรมอยู่ก็ไม่ถือตัวลูกไปจากที่นี้แล้วจงครบผู้นั้นซึ่งมีปัญญาทำแต่กรรมอันบริสุทธิ์เถิดคนที่มีจิต ก, กลับกรอกเหมือนลิงรักง่ายนายเร็วดุดผ้าที่ย้อมด้วยขมิน้นลูกรักถึงแม้ว่าพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นจะไร้มนุษย์ ลูกก็อย่าคบคนเช่นนั้นเลยคนที่มีจิตโกรธเหมือนอสรพิษลูกจงเว้นให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นหนทางใหญ่ที่เปื้อนคู่ดและเหมือนคนขับขี่ยานพานะเว้นหนทางที่ไม่เรียบลูกรักเมื่อเข้าไปคบหาคนพานอย่างสนิทก็จะเพิ่มพูนแต่ความฉิบหายลูกอย่าสมาคมกับคนพานเลยขึ้นชื่อว่า การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูทุกเมื่อลูกรักดังนั้นพ่อจึงขอร้องลูกลูกจงทำตามคําของพ่อลูกอย่าสมาคมกับคนพาลเลยเพราะการสมาคมกับคนพาลทั้งหลายเป็นทุกข์ฮลิทธราคชาดกที่เกจบส0สมุขคชาดกว่าด้วยหญิงในโะ อ, อบแก้วพระโพธิสัตว กล่าวกับยักษ์ทานนกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านทั้งสามคนมาจากที่ไหนหนอพวกท่านพากันมาดีแล้วเชิญนั่งที่อาสนะเถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านสุขสบายไม่มีโรคภัยเบียดเบียนหรือนานมาแล้วพวกท่านเพิ่งจะมาที่นี้ในวันนี้ยักษ์ทานนกกล่าวว่าวันนี้ข้าพเจ้ามาถึงที่นี้เพียงคนเดียวข้าพเจ้าไม่มีใครเป็นเพื่อนเลย ท่านฤาษีท่านกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้ท่านทั้งสามมาจากที่ไหนหนอนั่นหมายถึงใครเล่าพระโพธิสัตว์กล่าวว่าท่านก็คนหนึ่งละและพัญญาสุดที่รักซึ่งท่านซ่อนไว้ในโอบแก้วข้างในท่านรักษาหล่อนไว้ในท้องในการทุกเมือ่อหล่อนกำลังอภิรมอยู่กับวิทยาทรชื่อวายุบุตรในท้องนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทานพนั้นฤาษีบอกแล้วก็สลดใจได้คลายผ อ, อบแก้วออกมานะที่นั้นได้เห็นพัญญาทัดทรงดอกไม้สวยงามกำลังอภิรมอยู่ขวิทยาทรชื่อวายุบุตรในะ อ, อบนั้นยักษ์ทานพกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ท่านผู้บัมเพนตบะชั้นสงูงได้เห็นแจมแจ้งแล้วว่านโรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของสตรี เหมือนนางที่เรารักษาไว้ภายในท้องนี้ดังชีวิตของตนยังกลับประทุษร้ายเราชมเชยกับชายอื่นนับว่าเป็นคนเลวแม่นางผู้ที่เราบำรุงแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนไฟที่ท่านผู้บำเพ็ญตบะอยู่ในป่าบำเรออยู่หล่อนละเมิดธรรมกลับประพฤติอธรรมเราไม่ควรทําความเชยชิดกับหญิงทั้งหลายเลย เราเข้าใจหญิงเหลวผู้มิสำรวมอยู่กลางตัวเราว่าหญิงนี้เป็นของเรามันละเมิดธรรมกลับประพฤติอธรรมเราไม่ควรทำความเชยชิดกับหญิงทั้งหลายเลยเราไว้ใจได้อย่างไรว่าเราคุ้มครองไว้ได้ดีเพราะพวกหญิงหลายใจไม่มีการรักษาไว้ได้เลยหญิงเหล่านี้เหมือนกับเหวเมืองบาดาลชายที่มัวเมาในหญิงเหล่านี้ย่อมถึงความพินาศเพราะเหตุนั้นแหละ ชายเหล่าใดสลัดมาตุคามเที่ยวไปชายเหล่านั้นมีความสุขปราศจากความเศร้าโศกผู้ปรารถนาความเกษมอันสูงสุดไม่พึงทําความเชยชิดกับมาตุคามเลยสมุคขาชาดกที่สิบจบสิอปูติมังสะชาดกว่าด้วยสุนักจิ้งจอกชื่อปูติมังสะสุนักจิ้งจอกตัวเมียกล่าวกับแม่แพะว่า นี่เพื่อนหญิงการมองดูของสุนักจิ้งจอกปุติมังสะฉันไม่พอใจเลยควรละเว้นให้ห่างไกลจากสหายเช่นนี้สุนักจิ้งจอกตัวผู้กล่าวว่าแม่เวณีนี้บ้ายกย่องเพื่อนหญิงต่อนหน้าผัวย่อมซบเซาถึงแม่แพะตัวที่มาแล้วกลับไปสุนักจิ้งจอกตัวเมียกล่าวว่านี่สหายท่านสิบ้าโง่เขลาขาดปัญญาพิจารณา ทำลวงว่าตายแต่กลับชะเง้อมองโดยการอันไม่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบัณฑิตไม่ควรจะเพ่งมองในการอันไม่สมควรควรจะเพ่งมองในการอันสมควรผู้ที่เพ่งมองในการอันไม่สมควรย่อมซบเซาเหมือนสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสักสุนัขจิ้งจอกตัวเมียกล่าวกับแม่แพะว่าเพื่อนหญิงขอให้รักของเราจงมีเหมือนเดิมเถิด ขอเธอจงให้ความชื่นใจแก่ฉันผัวของฉันกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเธอควรไปเยี่ยมเยียนถามทุกสุขเถิดแม่แพะกล่าวว่าเพื่อนหญิงขอความรักของเธอจงมีเหมือนเดิมเถิดฉันจะให้ความชื่นใจแก่เธอฉันจะไปพร้อมกับบริวารจํานวนมากขอเธอจงทําอาหารไว้เถิดสุนัขจิ้งจอกตัวเมียกล่าวว่า บริวารของเธอที่ฉันจะทำอาหารให้กินเป็นสัตว์ชนิดไหนทั้งหมดมีชื่อว่าอย่างไรฉันถามถึงสัตว์เหล่านั้นแล้วขอเธอจงบอกแม่แพะกล่าวว่าบริวารของฉันเป็นเช่นนี้คือสุนักชื่อมาลียะจตุรักกะปิงคยะและชัมพุกะเธอจงทาอาหารเพื่อพวกเขาสุนัขจิงจอกตัวเมียกล่าวว่าเมื่อเธอออกจากถ้ำไป แม้สิ่งของก็จะสูญหายฉันจะแจ้งข่าวความสุขสบายแก่เพื่อนเองเธออยู่ที่นี้แหละอย่าไปเลยปูติมังสาชาดกที่11อจบ 12. ทัทระชาดกว่าด้วยนกกระทารุกเทวดากล่าวกับพี่ว่าคนที่เจ้าให้ข้าวหุงกินนั่นแหละได้กินลูกน้อยทั้งหลายของเจ้าซึ่งไม่มีความผิด เจ้าจงกัดมันให้จมเขี้ยวอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่แม่เฮียกล่าวว่าคนที่ทํางานหยาบช้ามากเป็นคนแปดเปื่อนเหมือนผ้านุ่งของหญิงเลี้ยงเด็กข้าพเจ้ายัางมองไม่เห็นส่วนที่จะกัดมันให้จมเขี้ยวเลยคนอักตันยุคอยจับผิดอยู่เป็นนิดถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ทําให้เขาพึงพอใจไม่ได้พระญาราชสีถามพยาเสือโคร่งว่านี่พ่อสุภาหุ ทำไมหนอท่านจึงดวนกลับมาพร้อมกับมานพท่านมีกิจสำคัญในที่นี้หรือเราถามแล้วท่านจงบอกเรื่องนั้นพญาเสือโคร่งตอบว่าวันนี้เราสงสัยการฆ่านกกระทาเพื่อนของท่านซึ่งเป็นสัตว์ดีเราได้ฟังหน้าที่การงานของชายผู้นี้จึงไม่แน่ใจว่านกกระทาจะมีความสุขในวันนี้พญาราชสีถามว่า โดยการประมวลความประพฤติของชายคนนี้ชายคนนี้มีหน้าที่การงานอะไรหรือการยอมรับอะไรของชายคนนี้ที่ท่านฟังมาจึงสงสัยว่านกระทาถูกชายคนนี้ฆ่าพญาเสือคร่งตอบว่าการค้าขายตามแบบแผนของชาวเมืองกาลิงคะ่ะชายคนนี้ก็ได้ดำเนินมาแล้วขนทางที่ช้ตอกทอยสัญจรด้วยไวย้คนผู้นี้ก็ผ่านมาแล้ว แม้การรบเลือกระบองพร้อมทั้งบวงบาดกลางโรมหรสพชายคนนี้ก็ได้แสดงมาแล้วกับนักฟ้อนทั้งหลายนกทั้งหลายเขาก็จับมาแล้วงานตรงข้าวเขาก็ทำมาแล้วการพนันเขาก็ชนะมาแล้วเขาละเมิดการสำรวมศีลเลือดที่ออกตั้งครึ่งคืนเขาก็คัดให้หยุดได้มือถูกไฟไหม้เพราะการรับก้อนข้าวที่ร้อน โดยประมวลความประพฤติของชายคนนี้แล้วหน้าที่การงานเหล่านั้นเป็นของเขาที่เราฟังมาดังจะเห็นได้ขนนกระทากระจุกนี้ยังปรากฏอยู่โคทั้งหลายเขายังฆ่าได้ทาไมนกระทาเขาจะฆ่าไม่ได้เล่าทัทธระชาดกที่สิองจบรวมชาดกที่มีในนิบาดนี้คือหนึ่งคิชเชชาดก 2. โกสัมพิยชาดก 3. มหาสุวราชาชาดก 4. จูลสุวกะราชาชาดก 5. ฮริจชาดก 6. ปปะทะกุศลมานวชาดก 7. โลมสกัสปะชาดก 8. จักวากชาดก 9. หาฮริทาราคชาดก 10. สมุขชาดกอ ปูติมังสะชาดกสิบสองทัทธรชาดกนวกะนิบาทจบ